สินาพาวนาหมดขึ้นห้องสองก็ตามฝันยังสั่นบรอฝันยังใช่บ่เขาหนึ่งมายามท้างบ่ออกซื้อเพื่นเข้าถามมู่เดียวมู่อันเคยได้อยู่ร่วมกันเม่เพื่อเนเขาพายเพื่อนปล่อยใหม่หนึงเมนันยุคเคยอยู่ร่วมกันว่าโดนเข้ารลวงปงูมหาบุญมีไมาอยู่นี่รุ่นเล่านี่ เดี๋ยวนี้เขาดูทั้งกุญแจทังหดอนเป็นคนมากพอสามสี่งตัวกให้ไปเขาไปหงเกพเขาแหงเราบอกว่าเขาของหงเรศเนี้ยนเรตัวไปบอกความันเขาบกว่าแต่หาเที่ยก็ได้ว่าควาฝันเขาฝันนี้ขอเลยเป็นบ้ามันยังไปบอกเขาฟังวะที่ไปบอกเขาฟังเล้ความฝันวะเขาองเจ้าเขาผูกกับเลศยังาันไปเอาเป็นบ้าอย่างวาบ่าไอพกปากเนาะอไมายายาวเ่ว่ามเนีบอกมือเฮา ฮะทำไมบ่เยื่อ ย, ยางอันดีเยืยงอยางอันดีจนเป็นถ้เนี่ยมโนมหลวงปูหมันพะพุทธ้าสมาเน่นของหลวงปูหมันของหลวงปูหมหาฮะเหย่อ ย, ยางอันดีขันวะอานให้มูฟัง ำอันนี้มันถือันตราไปไปที่พระธาอันถือันตราไปมันถืมีขอนต่อขอนไม่อไมเดี๋ยวอา่านแหงมูฟังมูเส้อาอ่านให้ฟังแค่นี้นแล้วมันมหหมดทุกคนแล้วอเขาไปมันว่อาอ่านให้ฟังอ่านห้ฟังตั้งแต่เขาเขียนวามอาอ่านมัน สเสีเยมพูที่นำ้ำพระยนนี่บอเอาตัวกริงวะนี่เอาตัวของเขาเนี่เอาตัวของเขาคัดคัดซ้ำนล้วจะออกงั้น ต, ตัวของเขาด้หออนาฮตไปขอวัดอันนี้ม่ใช่อันตรธานลูกหลานวัตบ่ค อ, อยไลยยิ น, นอันนี้เขาเบ่ค่อยเล ป, ปหาหลวงปู่มหาเขาบ่คยไ ป, ปหาหลวงปู่มานเีย เขาสเรู้ถือปฏิปทาของหลวงปู่หมห่ของหลวงปู่หมหาเขาเขาเป็นโนมแท้เนี่ยขาเงืนล้านม้อนเนี่ยอานยังกรกฏาคมสามนี่ข้าหลวงปู่หลวงปู่ที่ก็รดูชาอย่างสูงเรื่องเครื่องผักนั้นลกรกหล้านได้ทำผิดพลาดใจผสมลูกหลานยอมรับผิดการทั้งหมดในครั้งนี้ แล้วลูกหลานขอรากขอพมาโทษหลวงปู่้วยครับผมขอได้เมตตายกโทษให้ด้วยส่วนเรื่องเครื่องขัดวัดน้อยออกไปแล้วส่วนกระดาษทายนั้นกระผมได้ฝากให้ร้านค้าขายให้พระบผมไม่มีปัญหาอะไรท้ายนี้ลูกหลานหวังว่าหลวงปู่คงเมตตายกโทษให้พวกกระผมทั้งหมดขอรากให้หลวงปู่ไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมด แล้วลูกหลานขอกราบที่มนุษย์ปู่จงได้ดำร ง, งขันอยู่เกินร้อยปีครับผ ม, ข อ, มขอราบท้านมัสการมู่มาด้วยความเคารพบูชาการโฉมสมหมายง่าซึ่งเขาบะระมี่เนี่ยโวซึ่งเขาบะระมี่เนี่ยบกพร่องเลยเขาบได้มี่เนี่ยพิษเขาสามาติต่างเราได้สว่างขันดับ เทาสมาธิต่างเ่าว่าได้สำหรับเขาเท่าตีต่างว่าว่าได้นี่ดเขาตีต่างเ่าได้เนเี่ยมันเท่ากับเขาเนี่ยมันไผ่วมานาทิฐทีก่อกันมาฉันเนาะเท่เาเนี่ยขันจ้าตีตามว่าว่าว่าได้เจ้าเขาเนี่ยเพราะนี่ยมาณทิศที่เขาหม่เท่าเนี่ยพระพุทธเจ้าองค์ไหนสิมาเทิดอะไรเข า, าเป็นผิดเองจงเมตได้เขาสมาวะผปดเขาสมาติว่าไร เขาไปซึกษามาใส่ปัญหาของมันมันสามารถถือปฏิบัตปทาของหลวงปู่มหามันสามารถถือปฏิบัตปทาของหลวงปู่หมั่นแทะนาพี่แกหน้ า, น า, า, เ, นาเลยมีแต่เทพมาเทศนะเลยเขาหาอุบายมาเทศเท่ากับว่าอะไรเขาหามาอุบายมาเทศสังคมหอกกว่าไอะไร น, น, นาพี่แกหน้าเลยอ่ะเนี้ น่มันของเหล่นแน่เ่รามันฟุดบอนนี่ออขสั่นว่เาเด้อห้านิเอันนึงให้ฟังอีกเพอประกอบกับอันนี้เฮ้ยหยุบดูน้ำหลวงภูมัดท่ามาเอ้ยปาโมไปเอาไม้มาช้าไอ้มาแอมมาทับฝาก แอมห้องน้ำให้เฮาำมาหาเอ้ยทะนาหาแล้วพาพมูไปเอาใหม่แพ้บานเอาใหม่แปลารำําแขงําแขนเอามารับแลแ้วก็แอม ห, อห้มหงมหองน้ำให้เฮาทั้ง่ยมห้องน้ำนั่นเข้าสิกเข้าสิยักุงพาตาได้เขาสิวะอยากนุงพาเข้าสิเปลอกยกายอากกบกรเปียนยู จะทำโมเสสหลดผลเหมืนว่าค่อยนังค่อยอยังล่องว่าสันไปสักแล้วภาพไปเอาไหม่พอเอาไปเอาใม่มันไก่เติมเต็ ม, ตมตปไปเอาใหมา่ก่นพูดหลอเก็บเทีย่ยวนั่นผมจะหอนจะหอนก็เอดบ่อกเพาะฉันจะหันแนวจังไป่เลยสามโมงเสาเลย เหมี่ยนเพาเหมี่ยนังแหละก็สามตัวพอ่อเอามากฮะเอามากกับมาแอ่มไมายังเหรครับแล้วแหละฮะอะไไม่ยังยู่ปุ่นซีหาลำมี่ทำไมจะจบป่นเอามาบวดซีหาลำ ขันตุ๊กตุง่งหัวบ่มีขันกตก่ e e. หัวบีข um. um ันกตู่หัววัดบ่มีมันหักตัวนส่วเน้นสีเนนสีกว่นี่ใหญ่เน้นชหกุดเก็บนสีเน้นสีท่นห้าไปเอาไมขันตุกตู่หัววัเอาไมาใส่มันบ่มีต่กต่หัววัดแล้วห้องเฮปเปอรลาคริกามาาลครับ เพิ่นเพิ่นพ่อแม่ผู้ใหญ่เพิ่นมันสวยแล้วสิพกคนเขาไปกวนเพิ่นนะเสงบแล้วเวลาหลวงปู่มหาเว่าพู้ประจันนะครับผู้ประจันมหาบ่ได้ว่าอันหลวงปู่ด้วยผูอาระจันคู่คู่บาจารยะครับแต่เกิดอื่นนะจ๊ะขอเาน่อยจะไปเอาไหมจะเป็นยังไงแต่ว่าเฮีขันปั๊กตุ๋นน้นมันเหลืออยู่เลยแบ ุ้มอันคู่บาอาจารย์ภาพไปเอาหมวัมันเหลือจิไปก็ไปว่าท่านมันทำเงี้ยสีก <t ich> ่อนเขาใส่ก็ไปสิเขาเป็ผู้จารย์กคิตของี่วันสมบแล้วปานนี้มันสวยว่าท่นทุกคนสัลรถไปกวนอันนี้จ๋าเอ้ไปเอาแล้วกลัวเสียมาหอดมาละเทียงที่เจ่าอีทางนี่ฮะเนี่ยเขาเฝ้าปเนียงทุกวัน เชียงล บ, บากว่แพ่บุท่านเนี่ผู้เฒ่าลงมาเห็นตีให้นี่พ่วงเบียกไม่เขาวัดท่านเนี่ท่านลาก้ท่านสีมันไปยังเหอวสันไปมาล่ามาบาคอบเป็นนาวัตรทุกกดบ้องแก๊กบ่สันเคยจะไปก็ไปเคยจากยู ก, ก็โยวะสันนั่งสันตีแล้วมันมาให้ผู้เฒ่ายากฉันมาแล้ววะสัน มารบกวนผู้เฒ่าสันมาว่าเป็นถ่ำสันมาอยู่น้ำนะมาเห็ดสาปัญหาแสนสันที่ล่ะสันออกไปเสลานี้โอ้เดี๋ยวลราพ่อแม่เขาจะมาหาเล้วพ่อม่พวกท่านเนี่ไปขอนิสัยของท่านมาหาบ่สันเอาเะยที่บานตีหัวปลาตีเนื้นหัวหน้าเอาละ ว่าจมยวยเยวขึว้นไปเทิ้งคนปราพุตีจะคล้องคนท่านท่าจากมืดข่มหอบเท่านว่าคอนิสัยกับเผ่าตัววะท่านประคอสกับท่าหาบอกว่าสั่นฉนนเนี่มันไม่มีนิสัยเพิ่กับปวารจอกมาใช้เฮ้าเพระาะเฮ้าฝุ่ผู้ฝาไปเนีีี่แล้ว่านขันมาแล้วมอกเขาลบซ้ำยันง่าย่างไรท่นเป็นอวัทุกโดรบอกนบอกว่าั่น ออกไปนอกวัดตอกว่าบอมาล่าเพื่นกซิเมันหนูกสิ ท, น, น, สทนักปาดแท่าเนี่ยน้อูมหาก็เอาละเด็บาปเนี้ยนันฟังที่แรกกับพวนาอยู่เพลินอ่ะพาวนาอยูย่ตูปนิน้อยห้อนที่นั่งละบาด ท, ที่หฮมปาสิเ น, นี่นหัวหน้า ก, กองแกงเนียกับโฮมป้าน่คืนไปาหาเพลินรลยวบาดเนี่ โอ้ยพะแม่คุจาเนเด้อสันเขาพระพิษดอกพระสุท่านลาครับเนี่ยสีพระพิษขอน้อยผีพิษนะสันขอน้อยว่าสิประกับลาพระแม่คูจานยูขจรกว่าสิปรยูพระแม่คูจานเขาสงบแล้วสันเอามา้าเอาม้าเห็ดขันประตูหัวว่าันมันเหลืออยู่มวว่านี่ว่าสันไม่สองร้ำ ย, ายๆๆ่าเงา ขน้อยพี่แล้วพิดแต่พ่อเมีคผู้จารได้ไว่าสันพาอขอน้อยอนุ ญ, ญาตอนุญาตในข้าเจ้าไปแล้วสันมาทำทาทำท้างเป็นคณะอาจารย์เที่ยมพ่อแมีคผู้บ่าอาจารย์มาสันพุ่นลูกซีดอ่ะลูกซีดกับลูกซีนักปาชาวบนเถะขอนอยเจาผ้ามูมาทำวัดพ่อมีคูบ่าอาจารย์พิดรนเก่าร่นขโมก็ดีว่านันว่งิดว่างดีว่าสัน ฉันพระิษตะกอนกับพรจักมันปฏิบัติพ่อแม่ครูอาจารย์เนี่าสั่นวันนี้กับพรดคดิษแต่ห่างสงสยัยสด้ยาั่นโอ้นาโ อ, โ อ, โ อ, โอโ ok นำอยู่กับพรปอกมาสั่นเนี่ยสิาขาเจ้ามาทาวัดพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ขาเจ้าของพิด อ, อกละนอพลาิพิทางที่าขาเจ้ามากเลยสั่ลูกศิษย์เาถึงนักปราลูกศิษย์กับนักปราอาจารย์กันักปา ขันเท้าบ่วมันบมีผูวาวขันเทากับว่าไปชนะไปชนขันเท้าบัวโตกรสิชนน่องตัวคือก็เก่าสันเนตเาไันตัวกรสีสำคัญตัวตัวเราไปชนะขันเท้าว่าโตกับขันตกับขันมีปัญญามาแก่งสี่ตัวเรากัรด็ปัญญานึ่งตัวเราไปนะโก็ได้นเฮียนปัญญาอีกตัวเราไปชนะอะไได้บ้านนั่นะเท่านั้นแ่ะเอามามันกระสีพิษอ็งยังชนนว่า กเอามาก็มาเฮ็ดวัดเฮ็ดว่านี่ว่อชินจะห่อทางจีว่ามันจะเป็นมันจะเป็นยังเลยเนะหอจากว่าพ่อชินมูอโตมีข้อมูโตก็ว่ามาที่พ่อชินตัวสียอมมูมยอมห่อกรเมูโตพ่นมืออะไรที่ีเบีหอยังไงพ่นหอจากว่าเ่ากตองว่าที่พ่อชินห่อตีตีคอยตีแห้งเป็นเรื่องของห่อตีเล็กพ่อชินห้องเล็กเอามากองมานาแล้วพ่อชินเล็กคิดว่าผูกขาเลยว่าแยกตีคอยน่อยแยกตีเผาหน่อยมือนั้นมือวันที่ท่านจังเผามือวันที่ชนิดจังเผาตีคอยๆอยกตุปตีแห้ง เนี่ยจะเผาแดงเียั่งั่นสี่ว่าผูกขาดไบอกห่อจากวาว่กวาวกน้อมืของโมโตที่ว่าจไดก็เบอกนะลูกชิดกับลูกชิดนักป่าอาจารย์กับอาจารย์นักปาเแต่ก็ได้ยบกันร่องทีอย่างนั้นเพื่อนกว่าบ่ห้ทำวัดว่าทำทดอกว่าั่มันเทาบ่าวาโตกับบาส่วนคิดมูม่ออเพือาาอาาอ่อนกับบ้ า, บ า, บ า, าหจักว ข, กขวัดซ้าอันนี้มันลิดซ้ำหลายาอาย่งางนโตกย่น้ำหไปก็ได้ที่ทำทาเป็นข้าอาจารย์เป็นตัวล้วข้าบ่าวาว่าสั่นั่น อันนี้บาดนี่กัเพื่อนกับว้าด้วยฮะเนี่ยเพื่นร้ายเหรอผู้ใดท่านมาหาไปพาแก่พันสาลาวะ่นควรไปเอาบาดเอาพกสมาหาในเนื้อเอาอะไรด้วยครับบอกโตก็ได้ไปเอาเครื่องปฏิบัตลิลวงปูมันควบกันให้ท่านสลับทะเลเพื่อนพูดเอาคอวัดเอาคอวัดพระิจมาหา พยายามหาเพื่อนสลับได้ไงเวลาออกของเพื่นออกเต็มลึกไ่ให้กระทบกระเทือนให้ให้ให้โอกาสเท่าได้ไปไปเอาขวัดของหลวงปู่มันวันเพื่อนออกหองเพื่นออกเต็มลึกเข้าฝ่าว่าดเพื่อนลงไปไหวเต็มลึกส่วนพระจิาอันเพื่นเอาทำไมก็เพื่อนเพื่อนเอาไปอิเพราะมันไ่พัน้าผ่าเนี่กไปเอาขวัดนำเพิ่นมันเพื่อนกับนัดสัญญาณไว้ได้ไงขันมือได้นึ่ง ผมออกสวยใช่ออกของผมเนี่ยให้ไปท่านขอวัดเพินมาเพลินคิว่าผมมาเป็นข้าหน้าจานเทียมมาสิเพลินว่าเพลินคิดว่าผมมาเป็นข้าหนาจา์เทียมเพิินมาสแล้วคำพี่วิสุทธิมากานทานเห็นจากเทียววอมาสิเห็นโยของวันเดียวกันขะก่อนหน้าวั้งเกต ขอวัดเค็งครับแท้ๆอันพ่อแบมูห้อมันก็การขึ้นขี่มันหอกมันตันเชียวกันนะมูห่อกูปีแอไปมันก็บปีอมากกูปีแอไปมันกับปียอมากมันตันเชียวกันนะมูห่อม่พูดน่อยกใหญ่หรอกมูห่อถ้าพ่อมาเจอเลิศนะมูห่อลองจัดนะทาเนี่ยมันนี่มันมดเลยเดี๋ยวนี้มวยย่าง มิเจมุุ่ม่ะเนี่ยพรเพิดกับจมจะไมันพียรเพรากของเพียเพราะว่าอาชีวโอ้ยแม่คูพ่อแม่คู่บาอาจารแล้วพวกเขาน่อยกับวัดไอพี่จาหนาซับันนีบกพ่องไปเลยหรอครับอาจารย์พู้สลก็บว่าโอ้ยกั บ, บ, กบวัดไอบกพ่องหรอกเขาของบอกวิซศรอกเพิ่งจะทีแว่ประทันอีกว่าอันนี้วัดแล้วย้อ น, นย้อนยกเข้ายกศอกคนละบ่อ เนี้ยพี่ีดีดตาาพูดแล้วเมตบผันตบเนี่ย ต, ตนักนม่ยพู่แลเมยขึ้น้องยอกของวราเดียวตากรพตาหูกับพ่อหูพูดละบ่หมูหอ่อมันเกินไก่กันยอ น, นคือเกินไก่คือวาสิย์ยืปลาย่างยกสูงอ่าไปเทนอสองเจิงน้ามือเจิงหนผักไปกระโดดข้าวมือปูปลาเห็นอ่าแบ้านคือกัดกระเพะแมตองนี้ย่อเยยย้พอว่ะนั่นแหะมันตบว่าเรหกตาย เห็นปากตานเย้ยเสนเอ็นกตานยุ่งดีปะมันมาว่ารามืองสมันมาวาเราบากตานมืองสิมันเ่งจะฟังเทียบนวันนาะยี่ยี่ยีเฮ้อหนึ่งอันนี้พน กะมาพ่อมือใช่มันคักกว่าฉันหลวงปู่ ม, ม่านหลงพ่อว้าเิซบใจซ่อมผรูบาอาจารย์ว่าให้มาสอนเา่าโอ้ยให้ตัวนกไม้ใจตัวนึกนหลวงปู่หม่านว่าให้ตัวนึกไม่ใจอาายใีย ไ, ได้จังสรียูตะนำฝ น, น, ไ, ฟ ไ, ฟนได้ถยไปคือกันองค์นั้นคือกนขันว่าองค์นึงไหมันแล้วเมื่ยั น, น, นจ่าดี๋ยวไปออกมาองมดหอต เปิดสอนมูลับหลังล้ปูมันเนี่ยสอนชนะลมปูมันนะครับสอนชนะลมปูมันคือจังหวังเอาคะแนนม่ได้พิษอีกสอนหลังรับหลังล้มปูมันสอนยูน้ำพันละเพื่อนเป็นมือขวาเนี่ขันอดเพอนหนึ่งันระเทศดูพือนึ่งใครม่เล้วงเพนวัดคำพูดได้ว่าเพื่อนั่นถือเคสังสั่นทังสี่เพื้อนนั้นบอมีปัญญาแต่ว่าเทิดม่ดวัดโลดผพืนด้เหตมื่กระตังพิษดวงกันเทศั้งสง เขาบอกอันนะเพื่อนพยองเพื่อนก็ยองเมื่อวัดคู ด, ด, ดเหดจาชามันก็ต้องถึงมัดให้บอกของสันว่าเพื่นเหตจงฟังงสันหลวงพ่มาหานี่ยเเชเรื่องตัวเอาเนี่ยโซบ้านาตัวมาแต่้ผู้เก็บเอาเนี่ยโบ้านนำม้าขอเนี่ม้พอเนี่ยยูบานาโกเนียโแลนนาแลนนตัวเขาึ้นอยู่อยางหนุยฟีถั่วลมา มาเทวดาสุกแลนยางหนุที่ถ่วามาหอดหัวไส้โซมาหอดหัวไส้กับขนาดนี้หละนอนคืนหนึ่งนอนวอันเขาป่นกันวันวันตงเปื่อยเขาป่นกันยุดเชียงน้ามาเนี่ยโซก็หมานั่งเขาไปกราบเพื่อนเป็นพิเศษโต๊กระฝันว่าพีทเจ้านี่ ก็น่ามาทั้งนี้าสั่นโอ้ยจอกปองตัวกระารมันถึงไหโอ้ยเน็ตโฉมาน้ำคนหนอยขนหนอยเขาบ้าดอด อ, อกพอเมีจ า, านเลยนลอยากมา่าอยากมาปฏิบัติน้าพอ่อเมี ย, ยกุจานัตัวรวมันกระป๋ามันฟังดีอยู่มันถืงเรื่อม็ิมันถิษบ น, นี้ที่ฮะเนื่องขนอยกอยคนอยากให้เน็ตโมาน้ำเนี่ยอทังทงคนนอยก็อยากอันบ่าเม่นอยากให้เน็ตโสมาน้ำหอก ขึ้นไปนาหนึ่งกนขึ้นไปไม้นึงกะตาเ่นใส่นาำมาสั่นนี่ยพราะมันพิดนี่ออลยวด้บาทหนึ่งพุท่ากเมนเหลือสันทาเป็นคนมีบุญวัสนา้ายไปทางไหนเล่นเล่นน้ำเล่นน้ำมาสั่นผมหาเนียนใส่เ่าเปลี่ยนานหามาให้ผมใส่าสั่นข้าพี่วิสุทธที่มาท่านเห็นหมอาสั่นงวยเห็นกับพวกเด้เบืองได้ขันอยว่าอ้านหัวจักคักได้ว่าสั่นไปเหี้ยนไม่ซ่านาคุปตาอาการองไหนนั่น ไปเฮี้ยนสมาธิสมาบัติองค์ไหนอย่านำเน้นเข้าไปอย่านำลูกศิษย์เข้าไปเว้นไว้แต่พยายามเพื่อนิว่านเว้นไว้แต่พยายามเพื่อนิอสัยระวังดูนะเพื่อน่านาพี่สุดที่มากศีลอนิเทศท่านบ้เห็นหมอว่านไปนี่ยไปถามน้ามร่างเท่าร่างตีนวะ่านหน้ามร่างตีนเนี่มันพระอาจารย์ท่านตั้งตักมากบอกว่าพระอาจารย์ผู้สลากกเลวาโอ้ยหน้ามร่างตีนเนเฮตักมากกะซางไปตักมากกาแล้วเฮ่หไอ้อนุญาตให้ตัวร่างใช่ะ่น แต่จะค่อยล่างในถือไปล่วงล่างล่างลงก็บว่าอะไพิดสมาธิสมาวัตรหัตถ์เท่ยวพันตักมาเนี่วัดสันทัมงพี่วิสุทธิมักวัาสันสมาธิสมาวัตรบอขระืนวัาสันเกิดมาโตเห็นว่าคัมงพี่วิสุทธิมักสมาธินิเทศกับศีลนิเทศวัดสันกับปัญญานิเทศนะครับทั้งพี่วิสุทธิมักไม่สามตอนเพราะว่าอันนี้มันอยู่ตอนในศีลนิเทศและสมาธินิเทศก็มีวัดสันอาจารย์พุทธสารก็บอกว่า เฮ้ยข้าตักมากรสร้างภัยตักมากตามหาล่าง้าหัสจังข้าไปล่างจังโมมีโทษคำว่าจันทบธรรมเป็นอวัตทุกข์ใบฟ้าแองน้าให้ไม่ดังบูปิงบูปิง ก, ก็เป็ น, ากกนอาวัตทุกขเทน้ำแหงๆเป็นอาวัตทุกข์กระบวนกาไปวยคนสมาธิสมาบัดบ่ขื่นหลวงพ่อมหาวายฮ่ข้าอยบานใช่เห็นก็เห็นจะซื้อไดพ้พระทอพระรืมทีเอ็มขอยน่อยว นเนยพ่อท้มมาพืเลื่อมถิ่มว่เพืชกระหัวเลยละพะะ่อรอเหรอขนย่อมหรหัวเขันม้ยมอมเรอปกไงพันพ่อม่เนี่ยแก่ไั้นแหงพันแหงตีไผ่ไั้แหงตีย่านได้แหงเขียนพันพ่อเมเนี่ยขันย่านาว่าข่าวาขันย่านขอาวาว่ปเ พ, พียงนั่นใจ ก, กันว่าล่ะกับมูวห่อเหรนอยู่สมือเนี่ยม้วนหาสมือเนี่ย้าาพ่อปันยั่งอร่อยม้วนก้ยได้เดียเนเออ เ ม, ม, ม <laughs> <laughs> ื่อกูเค็งหัวมึงมึงเค็งหัวกูดึกบังโพสัมึงมึงดึกบางโพสัยกูว่าจะถือหอวตาพูนอยู่ทีหน้ามึงหนูยานโยกมึงือกันเลยว้าวเฮ้ยเม่อกีู้คู่บ่าอาจารย์น่ะสั่งสิเพราะว่าจะเกลี่เลยมิต่คูบ่าอาจารย์เป็นยังไงคูบ่าอาจารย์เป็นสเจ้ามันกูเบื่อเพราะว่ามันพักมันบมันพักกูตีรดเพราะว่ามันไปแถวไหนสัมื่นพวมจะเล่นโอ้ยแต่กตางเา ค่าวาขึ้นทั้งล้างห้องเราเป็นตะ ว, วุกปนั่งสมมือนโอ้ยังไม่ผิดเด้ยังไม่ปิดเด้ว่าท่านสมมืออย่งเนยต็ลงปูอ่อานว่าโอ้ยังไม่ผิดเด้ยยังไม่ผิดเด้ย่านผู้สาห้องกินเมื่อมาถือข้าวอรอย่เนี้ยนะไก่กระเนอขึเกินไก่คือว่าล่ะ่าสีเยอะไฟย่างเยสูงไชนอสังเกิงน้ามเจิงนผักไก่กระโดดข้าวมือกูว่าเห็น ที่ไปว่าจะทุกครั้งอันนี้จังนานนัตตาย่างนั่นย่างนี่ว่าวกินที่แตกขยั้งอันนี้มันผิดอยู่นี่ว่าเขาชนะว่าสูงโพดมันผิดไปได้ต้นทขันพ่อแม่เราเนี่ยได้ขันเกียมตัวสิสูย่ดผ้่แพรออกเป็นสันสันคู่บาอาจารย์เราเนี่ยได้คือกันกูเอาไมา้ได้รอดว้นเถอะจะเอาไม้นึ่งให้ได้ ชแชบแรงมากๆรดเมื่อจักอันน้ต่ออันไหนลหนละย่านมันบ่านะอาเปทันสั้นเ อ, อาโหลดมันเหระมันก็นบว่จะรอดแล้วเออหนื่อถสิผาผ่าปนปลาลำแทงสาเออพ่อแม่ยือกันเลยล่ะพ่อแม่ยังอยู่ พแมยังอยู่เป็นพ่อเหี้ยมพ่อซ้ายมาพจิตวงควบเจริญของโตมาถ้าพ่อตายแล้วม่เห็นเจริญม่เห็นลืนเพนนั่นเพื่อแต่จันโหน้วนม่เห็นลืนม่เห็นลืนหลวงปู่เดี่อแม่ยูฟูจะเอาสมบันั่นเราประมารีประมาณพ่อแมู่ห่อพ่อแม่ได้โลกขึ้นกันพ่อแม่ในวัดในว่าขึ้นกัน อมันคือหาตีพุมตีเฟื่อยเพิ่ง ม, มาเข้าโลกตัวคันบ้าวคอวัดมุ่นี้มันเสียเบิรนี่ยอกางไม่เงามันมาแงบอกแถ่ห้าแ ง, ง่แง่างามากเพื่อนบ้าเมื่อทาขีมินตวนตัตเลี้ยงลายเมื่อลูกอ่านน้าาตัวที่สามุ่นมองถนนคาโลกขาวันม่มาถึงเบิเนี่ย โอ้เจานาตัวออฟ้าตัวออฟ้าไปศาไปศาลซาลไศาลในซาลาสวยมากเลยไปพักกันซาลอันนั้นน่ไปยักษ์เทาดอกยักษ์อโศกสดผลจะไปลงซาลาหลังซาลอโศสดต่างหากาลาสันยังหันยักหาเ่อยู่น้ำบผุมันเ่มันเอาซาลาสันยังขันไปลงอโศส คือหมูเหาสาาอบวชตั้งหาสาาสันยังขันตั้งหาสาา ล, ลงูันสาาฝากสันยังขันสารา ล, โลงบโบวอบสดาาเกาพวกพระวัวบานพรทานให้พระเเลยบเห็ดเนี่ยสูงสโลกเนี่ยมีผักสองผักถูกเอาอย่าสานสาฟ้าสารฟ้าแลวก็เสียเอามาเห็ดปักตู่กันเนาะเอามาตู่สุขเห็ ด, ดหัจะกบโชกไปโุกมากใบ้าปพระแคบบุญ ตังเว้นมากพันลบลบว่าลบอายุกุฏเจ้าของบุดเดียวทาา์ทันอกพุทธเฒามาเลยใช่หรอาเห็นอะ ล, ลบปู่มาเห็นฟ้าเตียงเห็นก้อน <c oughs> ขวงงสาระย้่นเนี่ยเอาบักไงแล้ววันเนี่ยอวเว้ข้นฟันนะ่ะนี่สงของสงมาเเอามาขีดมาขวงแล้วหนีไปไียังยังบวเก็ไปยังยังบวเมียนเป็นอาวุธทุกดบ้งจับ่ ไม่ใช่อำนาจแส่บนสองอยู่วะท่นถึงแม้อาสิเหตุของสองก็ตามใช่ไหมหนีไปก็ต้องเจ็๊บตรงเมียนเป็นกษัตริยายี่เปิญวาพุด ล, ดละเยียดละอว่า ป, าปาลาเนียโอ้พิดาลณาพแมีพุทธาแน่ว่าท่านชะ่แล้วมันมากเพระเาะชอบไปแกะแต่ตัวหนึ่งนํำไปอืกอยู่ปุ๊บปากกันนี่ไม่เฝ้าขวามากว่าเฝ้าขวามากว่าเศร้า ข, า, ขาดัน อีกอีกรื่องนึงฮะเนี่ยเอาผ้าเอาผ้าไปซักตีฮะเนี่ยผ้าเช็ดเท้าเอาไปซักตัวเอาไปซักไปซักเปล่าตัวไฟตาบผัดเปลือยยุบกุบฝนโปรยโตข้ามมนี่ผ้าเชเท้าก็ล่าเมือนไผ่เอาผ้าเช็ดเท้าออกไปซักเถอะไผเอาไปซักเถอะแล้วมังฝนโตข้ามยุบพุ่นว่าสั่นพ่อแม่ผู้จ่า่ไง พูดว่าท่านพี่ว่าท่านอาตราานเนี่ยทวเอาเลยเรื่อวันเนี่ยโศตายไปเองขึ้นกันท่าน่นซีนาเขาสองมือซ่อนี่นี่ครั่านมัดงามเขาเห็นผลผลท่าเอาไปซักครับ่าน้ารับตาเข่าผลผบวชาครับ่านนี่ข้นแถลงแปลงเสียบครับ่านพอดมานี่คนมาหญ้าสาเอยี่น่ครั่นเห็ดอันหนมาตั้งตออันนั้นรัท่นผู้รเห็ดอันไหนก็ต้องเอาอันนั้นก็ต้อง ปฏิวัติออกนั่นทำมันชุดตลอดที่แไปฟู้งมูอให้ังหมดสันพุ่นมันเั็นของง่ายๆบอกโอ้ย่อมแล้วเขาน้อยว่าพี้หลายแล้วอย่างนี้วาอืมดีต่างในฝั่งเทศวัสด์สนท้าววังสันนะเชี่ยวหัวหลบไปละตางในฝ้่งเทศว่าด์สันมันกระสือว้สด้ฟั่งเทศก็น้อยกว่าสันไปละที่ไปไปกันท้าววังสันกันท้าอย่างนั่นย่างนี่วัไดัยน่ะแกงแก่แห้งพัน นีนงง่เขาง่ายๆเป่คนพกก่อปนได้ไปเนงียูน่น ไ, ได้เกุติวางสิมูสิปายูล้วเจ้าแง่มาล้ง่มแล้งกูก็บไปเที่ยววะสันย่ามันย่านคนมาอยู่แท่งกุติกูบอกไยูวสนจ้างกับไปยูคันพก็ปันพื้นดีดีอ่ะว่มันกุติวางเลยสิไปยูรดเอบคือมูห้าเนียงูห้าห น, ๆๆนี่กุติวางกับส่องลดกุติวงกส่องลลตนนเนระมันกับพ่อปันม่คําห้างๆๆๆละนๆๆั่นเหรอเออพูดึงขึ้นพู สุา้างเพระเป็ดเต่าหรอสู้พยังไงบอกว่าเราหลอน่นอนนสันล <laughs> นนนาสันมันบสใจอืมนันตัวหลหนี่ยมาเสียบบงางรูหล่งหันไกลกันมาไหนนั่งไกลกันมาไหนนะครับสมือเนี่ยอ่านนั่นหลวงู่ศีประยูนนั่นนง นะผู้ที่ไปวัดกระโ บ, บมี่น่ยสั่เขากะติกินผู้เี่มวะสัน่นนั่นเ่นเป็นตาประมาทได้พ่อแม่บ๊รมีแมนบอกตัวว่านว่าได้ผลบอกตัวม่าใส่ฮะไม่ช้ม <า S 1> มช่ก่อนเอน อ, อนั่น ล, ลูกผู้สรีผู้ยูเนี่ยองอกกระโ บ, บมี่เลิกไปละารเติมละมันมัแท้ก็จะไปมภาามาแล้วเสียเพรนี่ อ๋วัดพรกรุงกัเอาเอะไรเด้บารเนี่ยแม่ค้าแม่ที่สิุญไว่าเอแลพ้พี่ผู้เฒ่าผู้ยูนั่นมุเป็นตาประมาณเต้ห้าอเจ้าอิอธนอันอ่ะเออมุเป็นตาลื้มตัวเลยพอแม่ห้ามวะนี่คือกันตาลงตำลงนั่นแหละทัต่อเพื่อเ่ถือค่ะทำเพือถือสูงขึ้นยู่ก็มาเห็นไข่ได้แต่เพื่อนอาจารย์แหวนนี่ไข่แจักน้อยถึงย่างนั่นก็ย่งมาท่า น, นกปูของมานกปูขอกมาาจารยบัมีกดยู ว่าเถอะจนหลวงปู่ฝันกระลุดวัดเพิินรุด๊ะวันหลวงปู่มันกรลุดวันหลวงปู่มหากระลุรุดขึ้นกันทัน้งแหละต้องขับรถหนับรถมีเพ น, เนมันยากโคตรยากสีดีก็คือบาอาจารย์ไงไหนว่าอาฉัน มันว่าเป็นตาสิถือว่าเป็นกลางของข้อดรอกแต่บระปุณา ม, มันแล้วคือการลูกล้านตนี่ล่ะตะกี้ก็ซื้อว่าคอแม่ยพอดีมัดพ่อเม่ตายเราแห้งต่ำลงต่ำลงนั่นเอาไปมาปกชี้พกลุ่มจะคของเขานีงเออ เนีนประไม้จานต้องขํามปีนึงเนียนประไม้สีผ้าเนียนประไม้ปมไปคัดเลือกโอ้ไม่นละ่ะสิบ้าเนียนประไม้ไปคัดเลือกทหารแต่งก่อนแตงก่อนลงมปุห ม, มันกับพิ ไปบิทบาสท่านเก้วเก้วขอเกี่ยวทอดบ้านโบราณทอดใกล้หรอดบ้านเลเ้าท่นต้องคามันประมาณพูทธเอาเช่นมันปาก้อนเจ้าออก้อนกวนมันจะแตงเนีนประไม้มันจะแตงใหเนียนประไมไปไปคัดเลือกทหารนี่สันว่าพุทเจ้าจักหน้าจักหลังอันไหนมันแตงก่อนเมื่อเช่นอือถานัน่ะไปพีดเพลินน่ะ ก็าจาต้องเข้าเกยบใหยย้วันเถอะพิจันมาหาต า, ากิวใส่วานนี่กัพระองค์หนึ่งก็มาที่ฮะเนี่ยหลง่อ อ, อกซื้อขนมแก่ปิดพระอีกก็ผานหลง่ออกซื้อไปอย่าหอกคนว่าในหนังสือนี่คนเกิดประมัศาสตร์หร้นพูดเทาห้าที่วัดนี่ แต่เมื่อหนังสือมันมาห่ตายแหยงเลยท่านพูดว่าหนังสือไทยกันเพอไรอ่งเงีน่มันมาห่ตายแหยงเลยท่นมันมาว่ากระทบกระเทือนบอกว่าเข้ารอบมาสั่งควมหัวควมห้างเลยท่านผู้จัมหาตากิ้วอยู่นอาจัมหาตาเชียวต่พภูวบอกว่าบวบบวบวะมัดระว่างกับอไรเรืงน้เ้งผู้มันได้คืดสะก้อนแต่ว่าท่านเนาะท่านี้องค์นึงครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่เนี่ย ผูอาสอาจารย์ผู้ใหญ่เนี่ยเขาพยายามเพื่อนทำาออกซิเจนอย่างยาดอกเพื่อกระายไปแล้วล่ะแค่ว่าอวดลูกปูมาณทานว่าสีรองเขานี่โหลดชมาัดเบิงมืงขึ้นว่าสัมันเราะเขาท่านมันะเพระเขาว่าเสนอเขานี่วโสมดาวัดร่องเบิ้งมึงท่นเอาไปเอาม่ามันหลดพุดขึ้นว่าทิฏฐิบรรยัตท่าน ทิทียนมันยัดแต่งเอามันพูดขึ้นมาหลงปู่มันออกมาแต่ในหองหลวงปู่มันห้องขึ้นแล้วบานเนี้ยโอ้ยของกิโตว่ปนมหาบาทว์ากระทบกระเทือนเพิ่นวะท่ามาเพิ่นเขานโหลดสามารถวัจักเื่อสนเด่เพิ่นที่ว้ากระเทือนพุทธสาวะ่นขังพระเจ้าเพิ่นเขาเป็นบางขั้งบางข้าวันวัเด็กเพิ่นเขาอยู่เรื่อยดวะ่นเพิ่นตเมื่อกุินาราก็เป็นนาเพิ่นจะหอวจริงเฮินไปเพิ่นยังทังห่างเลือกทางยางค้านไปวะท่น ท่านว่าอะาวบ่ายมากกระทบกระเทือนพระเถ่าท่านพระนาจมหาสตาร์เชียวโยมาซิมกับโตพระนิจมหาเสี่ยวตุบาอาจารย์เขามหาครูบามหาพร้อมอะไรแบนี้นี่ใช้ต่างกันไมทำได้เลยท่นพวกนี้กระทบกระเทือนันหนึ่งผู้เขามหาครูบาอาจารย์โมเห็นกระทบกระเทือนคนห่งพ่อให้คะแนยหลวงปู่ฝันคนห่งหลวงปู่อ่อนคนหนึ่ง หลวงปู่ออนกระทบกระเทือนทตลกานองสดสบาดก็น่สดสบาดกน่หลวงปู่ออนโอ้ยบบว่านนั่งสบายอยู่นานจักจากเรื่องคนอาจารย์มหาห่มักใช้อว่ากระทบกระเทือนผูบาอาจารย์เปนาหลวงปู่มหาเนี่ขาลบที่สุดเขาลบหลวงปู่มัเชื่อเพิ่นเหล่าเหรียญเล่าอยังเชื่อเล่าอี๋ นที่ทั้งโลกทั้งท้งสารกระางคนมมีสติสัมปชัญญะคนอยู่คนว่าร่องกิเลสเท่าที่ซื้อหลวงปู่มหาออกไปอีงสักเรื่องมื่อนี่การท้าวเอกมาว่ามันอันตรธานมัดมันเข้าใจว่ามันมันมีจังสี่มั่นน่ะมีจังอันขวัญท่าขวัม่ท่าไม้งสมมือเนี่ยปฏิปทาที่ปฏิวัติมานก็ได้หลวงปู่มหาก็ออกใส่โยน พระองค์หนึ่งมาออกซีพจนิยาดับนี่นั่นหลวงปู่มหาน้องปู่มหาเทพผู้อื a a train, ่นเทพผู้อื่นตอนอาแขกให้าล้่สิข้อพระนี่เจ็ตอน้าแขกของพระผู้นั้นคือดื้อสมควรเพราะว่าคนจังเทพต้อนอาแขกคือสิหลายเที่ยเราพอได้พ้นเลยพนเลยเอาตอนอาแขกเขาสังเกตบว่านี่ยนิสัยของนเป็นสัหลวงปู่มหาเนี่ยคันเทนเทศเทงสังเทศ สองเทือยังบ่เอาหรอกยังขอเก่ายังมาพิดมาโรยอยู่่นเอาตอนาแขกเลยเอาแห้งเลยเคยอยู่ลำกันเคยเห็นในชแห้งกัไปเรื่อยแห้ขึ้นไปนานเลยพอพระเทพพระเทพเนเทยพระองค์นั้นต้อนาแขกมาค่อนในยุควรรดานี่เนา คนนั้นก hmm. ็เลยวะเป็น oh, ส oh, ja ิหนิหนีหนิหนยังไมอยูยัาไม่ยูอืมหนิหนิหนนิยม่อยู่บกาเขาเอาเนจโอ๊ยไว้เจากันทอดอน่อยสิขอไว้เจาก็ทอดขอน่อยสิมันยังได้กรไดวที่ตาเท่านั้นขอ้จกันทอดกคนผู้เสพเก็บสูงสูงอยู่หนร้ายอันเนี่ยก็บอกว่าที่ท่านนี่แ่ะผมไล่ท่านนี้วันนี้ก็ได้สิท่านก็จะไปด้วยว่าอันเอาแล้วบานนี้ย พระผู้นั้มันเป็นผูมาโยดโดนะท่าเนี่ยอันนั้นกูก็ได้เฮ็ดอันนี้กูก็ได้เฮ็ดคือกูนี่ผมมีสมบัตินี่ยังจักเม็ดว่าคือกูไม่มีคุณมีค่าเนี่ยไปบังไงล่ะพระองค์นั้นท่าเนี่ยปูงแดงไปแลป้วไปซิกไปลักซิกพระองค์นั้นไปลักซิกเพื่อประสดแดกนั้นหลวงปู่มันะอหลวงปู่มหาราชแล้วไปลักซิกพระองค์นั้นไปลักซิกค้นมาในทิศ ท, ทั้งไายเขาก็มาถามทีพระ ถ้าองนั่นก็นึกว่าเวลาอดอาหารก็อดมากเวลาทรมานก็ทรมานมากทําไมไม่ถึงสินถึงธรรมทาไมถึงลาสิขาไปเสียถ้าหากว่าพระองค์น่านลาสิขาไปเสียแล้วเอคนอื่นผูดจะถึงมรรคผลคนิพพานก็จะลําบากเหมือนกันนะทําไมเป็นอย่างนั้นท่านอาจารย์นิโรป <S <S ุ่นที่เพิ่งลาซิขาไปนะ่ะเพิ่งก็ะเฮ็ดเพื่อประสดแดกดันเพื่อจะให้นิโรปุ่มหา กรทบกระเทือนเพื่อนเสื่อมหลาเสื่อมยอดถ้าเป็นแท้มันไปทับโตเพืเดียวเยอะ้างนอกกุ้นอีพออีแม่กวยมะนาวทับเพื่อนท่านเนี่ยทับโตเพื่อเดียวเยอะทางนอกกุ้นท่านเนี่ยนทับบมาหาบขืนที่ยากลาบาก่นเนี่เพื่อนกับช้ำเกาย่าหลาโนดชนะเสือเพกระไรมันว่าไปทับเพื่อนที่เาเนี่ยเขาเฮ็ดประใช้เพื่อนแดดตัวเพื่อนอัพี้ในทางที่ดีที่สุดยจ้งไหนในเรื่องนี้ครบ่านคุณอินก็าาถามห้องห้องเขาได้ตอบคุณอินโอ้ ในเวลาพ่นเทศพระคนั่นแห้งท่านพระองค์นั่นเป็นผู้สลากก็ต้องหยุดไว้สกกันคันเวลานีไปหามเพิ่นต้อนอาแขกั่น ข, ขอว้เองสองสี่คืออยากเอาคะแนนกับเพิ่นกั บ, กบแขกชุก ม, มีเกียรติสูงเคยฆ่ากัเพิ่นวาเพิ่นเทศบถือ ง, ง่ามไกลคันมาถือ ง, ง่ามจีบเอาคะแนนกับเพิ่นนนี่นเลียเ้ยมนั่นท่านี่เพื่อี่จะให้แขกน่องโต ว, ว่าโตเป็น้นสลากอาหารเออบอกวกขัน้นล่นี้ ลูกเ อ, อะไรนี้ตอนหนาแขกหนาข้นแล้วจะขออะไรโอ้ยข อ, นนอถ้ามันักกอนเะ่า้หัวผู้ น, นั้นล่องต้อทิทธิผู้ น, น, นั้นเป็นท่านวังผู้นั้นทีเอาวังเอ า, เอาขนาแ น, น่นน้อแขกแต่ว่าเพื่อให้แขกย่ตัวเอาแบบไงตัวเพื่อตามท่านมาเพื่อเยียบเรีบท่านมาโอ้ยแต่ว่ามีอันดีจนขุนอินก็่ว่ามีนดีข้าเนี่ยทางที่อิะผู้นั้น แล้วเลยดิสั่นทั้งยังทั้แล้วเลยเลงไปลุมหนะจังสัลผมอยู่นําเพิ่มากกไดฮะนัเทียเพิ่งทราผมคือเน้นหน่อยนี่ตัววศราเอาด้อท่านน่ะญาติไปเพ่งโทษเพ่งกรรมเพิ่นเด้อไปแก้ท่านหันญาไปแก้เพิ่นผมก็ถือมากผมถึงยังถึงหลายก็ท่านนั่นทันตัวขันในข้างที่ดีเพื่อนี่ก็ต้องไปแก้พื่อนีรงิไปแก้เนาแสนาคนก็หวังออกคะแนนนียังแค่ไหเพิ่นตีหัวออกตัวนั่นเขาหวังออกคะแนน เพื่ีชว่าเพิ่นบกพ่องเพินมม่นบจั ก, กราเทศะไปว่าให้ลูกข้าต่ายง่แข่งแา่้นงสันตัวสิบเอาคะแนนวนนี้ก็แข่คะนนนมตวัวนะพะวังสิฮะเนี่คุณอินโอ้ยตอนนี้ขาน่อยก็บ้าได้คืดดิไวั่นคุณอินเขน่อยก็บ้าขน้อยแต่เขาหน่อยบ้าได้คืดไว้สัน่นโอ้ยพระ อ, อาจารย์มหากับกปูมันป็นแหนกเก่งขนาดเดียวกันฮะเนีวไปเท้าเดียวกันฮะเนี่ยไม่ก็ง่ายๆบ่ นักเสียโตไปวอกก็เพิ่นึงสิเฮ้ยพ่อเมีคูจางาสั่งคนหน่อยอายุนานี่พ่อเมีคูจางสีหนักใจนอกสั่ขันบวเฮ็ดทำไมนักมันกบ่นักันี้ทมนักมันกับนักเดียวนี่ล่ะพูดเถอะวะป้าบัดเจอเมีนเตียวสันวาเว่ยขันบ๊เฮ็ดทำไมนักมันกับ่านักได้ไหมสั่งขันนี้ทำไมนักมันกับนักเดียวนี่ล่ะพูดเถอ่ากะวามันเมียนนี่หนิมันมัมันเมนนนได้าพ่อแม่ก็ได้ความจริงมันกระจลงาหันนี่ ขันเฮ็ดแผ่ น, นมันหนักนมันกหนัหกนเฮ็ดนมันหนักมันกับบนหนักเดียวนี่แหละว่าใ่นั่นมันเม่นแต่บ้านนอไอ้คนบ่าอีกก็ม่น อ, อ, อีกนั่นผมยอมย่อมลวงูมหากรมหลวงผู้มันเนี่ยย่อมคักคักผมอ่ะบ้ปัญญาเก่งมีประโยชน์สัมเพลินบอกว่มันบอกโดยชิีฐิมันะถ้าเอาไปปฏิบัติกับพระพิษนั่น จจ ก, ก็จะงอกระเดียวว่าถือครั้งลเพื่นออกมาหคังละหนี่นเนพื่นอนวดแล้วเพื่อนเพื่อนม่บุญวัดาสนาเนี่ยกูมาอยนีนกแร น, นน้องกูมากูมีชิ ม, มีถ้ำอยู่กูปล่อยเพุ่นว่าวัดศาสนาอะไรเลเมียนขีน ก, กนเหมนเช่นบอกนกกรชีดเช่นมนี่ก็เมียนขี้แล้ววันนี้ในวัดศาสน า, าอะเขาเอาม า, หาให้นกไง น, นกตัวนี้ปล่อยยเพื่อนปล่อยยอะเพื่นมื่อแรกนียินงเชียงค้าบอกหมาห า, าห า, าบินมา เข้าแทนทีว่า ส, สินอนอตยังผลพอนอนเนี่ยปล่อยยังผลเขาเอามาให้ผลกันปล่อยผลล่ะปล่อยจะ ก, กงอ่เข้ามาจะี่มือแรกมากผลบินมาหาเข้ามานอนนอนนี่แปเตียเขาหันี่ใตะพื้นตะพื้มันบอือตัวนั้น ต, ตนัวยึดตราวันอยู่น้ำมหาปีตัวนั้นตัวยึดตร า, าวันนกกาอยู่น้ำมหาปีบกชื่อสวัสดจเทีอตัวไหนมันเคยอยู่น้าอยู่นกอันนี้มันนกบ้านเขาเนี่ตัวนึงใคใช่หอยั่ไหรอ แล้วน like. ี่ตาเลียมเอาไปแล้วพอต้นอ hmm. wow. ้วนจะใชมโกงใช้ต่เดียวเอาไปกุดเหล่าเหมนโอ้กำหหอยต้องเตียพมาพันเองละปวดเจ้าผูมีบุญรายเน่เป็นจ้าผู้มีบาปไม่นทีนกบัด นั่นพักสบาเรี่อเรี่องไปประสมมาไปประสมขัารถประควนในรถไปอ่ะมือเนี่ยตายเหรอเปล่า้ะ มันไปยังเฮ้ยมันมาส่งขนด้วยอ๋อมันเอามันอายุสังขารน่นอะมันคือมันอายุสังขารแล้วมันโดนรถเปลี่ยนรถกันเนี่ยเฮ้เออมันอายุสังขารนะมันโดนเนี่ยกั่วเอาผู้เทามาลั่วใส่แล้ก็ได้รถแลยอ่ะสั่ะ อสักเอาลถาหน่อยไปตีเชื้น้ำมันซ้อยกันเอาคนวนใบใบเนาะัอันน้เขาบอกว่สันเี่่น ไปรถโดยสารไไปกินเขาน้ำเพลินผุนไปนอตได้ผุนหรืไปห้างห้างีะมันแหล่เนาะไม่ใช่ตะเปียนขันทา้างแล้วเนาะขันท้าว่าได้ไปมืออื่นมือหึงกันจากไปอื นั่นน่ะขอวัดสัตว์คู่บาอาจารย์เป็นสัตว์หลูกหลานเลยมูโตเยสวามู้โตญาติได้สมืน่นห้าลังเมือเที่ยงขึ้นเหมือนจังในร่องนี้จากคู่บาอาจารย์กับเสียนบอกอันนั่นอันนี่เยจำนั่นแล้กอกกอกจกแจกด้วยกังเวหนงสิ่กับห้าลังเชืกเที่ยงวัดเหมือนจังในร่องนี้จากกุฏิเพลินกุฏิกุฏิรองผู้มัน ทังอันนั้นทั้งอันนี้เลียหัน่วนวันเวียนเนี่ะมือหนึ่งยังสี่พันยูยังไหกิดยังไหนต่องมื้จักเพันสบัยยังไรหรือเ่าสมายยังไรก็ต้องมือจักรพันเห็นยังก็ต่องหูอจักรประจําวันวันไหนหายพัเดือดเอิญได้เดียวเนี่ยนเห็นพ่นเห็นยังก็ต่องมาเหตสอยเลยหมูห้าเดือดจนข้อสีแตกให้เสียตีระคั่งในยี่ห้อพวกหมู่โลกโอ้ยมันเบื่อห้ายังไม่ปีกนีห้หนึ่งครั้งเถอะ ผู้วาอาจารย์เพิ่นเห็นอย่างเพิ่นคัดของอยียงอยูอย่ายานาะพ่อเ <พอ S 1> มีมตาสายบรรยา่เยอตาเดียวบ่เบิง่งเออเนี่ยนึงจะลงปูวัดนนทเวศครูพันรถรับมือนลงปูพ่อเมีเ น, นี่นี่เนี่ยน้อั่นตีตามากใกล้กูเท่าหนึ่งจักบาลได้แน่ขนาดว่าไม่เด้กกัตีต่างมากก็กกได้เนาะเพราะสั่นเพิ่นว่ า, ากกบ้ามนก็จะไม่เมนควเพนเว้ย ้าเจาเ้าจากไส่เนี่กะทิต่างว่าเนี่เดี๋บอกว่าอวสังคนว่าบาเกิดว่าเบาเมนข้าวผสนาอย่ง้าสมนาถ้ไปไก่เนอะขาหนาจะของเทียนขาหนาจะเขาอันเนอะโรคขึ้นหัวใจเข้าเข้าอไไปที่หะเนี่ยข้าไปพุ่นขอนแกนพุ่น าก็ไ่ได้สั่งผู้ใดแล้วเจ้าเยทานน่ะลูกเต่าบมากับเระอยงหลขอเต่าผู้ใดอยู่ใกล้ก็ดึงแขนผู้นั้นเสด็ไปว่าสันไปโรงพยาบาลนี่กันก็ไปห้าวไปโรงพยาบาล้อยู่ทงพี่พกกนมาซุ่มกันสินน้ำห่อนหลวงปู่ป๋ใส่โหวัดสันโว้ยมันโง่อะไรมันต๋าอยู่วัสัน่าะหลวงปู่ปใส่ผู้ใดกับพระหงษจักห่อนหลวงปู่ไปหงษ์จักห่อนหลวงปู่ป่วยจริได้เก็บวันหนึ่งกบคืนนึ่งละนั่นน่ะมันโง่จะปานันวันเถอะเมื้อก่อนเช้นาหอนาววันเช้านา มันเชียงสินสองทางไงวันอะคือหอบประซังปรสอนอ่ออาแต่หอบระซงบรสอนก็คือพวกนั้นวงจัก่วมคือว่าเป็นเองว่านั่นนะพ่อแม่ไปใช้กับย ง, งจักจนพ่อแม่สีตายันเห็นย่างงหุ่จักเนีมันโง่มันซัวจนถึงป่านั่นหาบประเนี้ยซัวป่านั่นเอ้ยเออพรบัหลวงพ่มหาเป็นมือขวเนียทกอยู่เล่อยู่ตบหน้าตบหลังเนี่้ำนั่นเล่าเป็นผู้ยายลองข้อโมล่องข้อเดือนต้องทําให้ผู้น้อย เป็นอย่างยั่งต้องให้มันเป็นที่สะดวกสบายของพ่อแม่คูบ้าอาจารย์ตตัวลูกผู้มหาเทศสร้างสอน่ะสาหรับผมมันต้องเลี้ยงหน้าเลี้ยหลังเพื่อให้เป็นที่สะดวกแก่พ่อแม่คู่บ้าอาจารย์นะท่านเพราะมัสิบแบบตาใสา่เพรเดี้ยวตาเดียวเ่ า, า, าเบิ้งจะกู้ยังไงกินยังไงเอาันจะตายยังไงยังยังไงอืมพ่อแม่เข้าอยู่บ้านคือการทันกั น, น อันโมนี่มันเป็นสีลวัดมัดนั่นแหะมันก็เป็นผ้าหน้าวัดมัดนั่นแหะมันก็เป็นปัญญาวัดมัดนั่นแหละถ้ามันเชื่อมอันโมนี่มันก็เชื่อมมัดเนี้ยจีไปวาอย่างสวอดาบันสักขะท่าข้ามีแอหน้าฆ่ามีแอทหารยังฉันนี่เสีมันไกลกันนักโห่เถอกตายอย่งมันรวมไปแต่อันเนี้ยโมนี่ก็แล้วผาหน้าสัวกูนั่งไอย่างสัตวกูนั่งไหนอย่างสินั่งกินที่แตกนียังนั่งโมนีนเี ขวบไอ้โมหิวมแล้วบดที่บดบดนี่ยมีเสียเลย น, นั่นนย่างนี้มือคือกันแทนเพชดพระเจ้าผสมมาโอ้ยอเฮาเฮ็ดบวบพองกับเพลนกับพระเจ้ า, า, า, ราพระสองสันสีบวามีเจ้ตัวถื่อนบดเมื่อยาวัจกรบอลคำพวกมาสั่พระพุทธเจ้า ทำาตัวเป็นหน bo si. ่ายพระนายเน่นน่าท่ามตัวเป็นผู้ปกครองพระปกครองเน่นนะท่นพวกนั้นจะไปมรรก็่านวายาวจักนบางคำพวกท่ามตัวเป็นลูกเิียพระเสียเน่นนะ่นพวกนั้นพวกนั้นไปสวรรค์ะ่านพวกท่าตัวเป็นหน่ายพระหนายเน่นไปมรหก็ท่านท่ามชาเป็นผู้ปกครองพระปกครองเน่นนะ่นพวกนั้นต้องไปมรหก็่านนั่น ขันพระเนี่ยพพลาดอันนั้นอันนี้จอบได้พระเขาโจมจีมันกับว่าถือีกขึ้นันว่ากะต้องพี่กันหน้านี่อ๋มันจะมาเป็นเงสันมันจะมาเป็นเ่องสี่ก็ต้องพี่กัหน้าอันนี้ก็ได้ภรวนามันสำคัญเนยค่มันมันเหมาะอัมโมนีเลยมันแหงดูดใช่เองดอกกามทานของใครของมันคำว่าคัดของอัมโมนีมันกับว่าไปเลย ก่อนแก้ใม่ทั้งปลายครับคำว่คัดของอ่านมุ่ง่ไปมันบวคลองบวลองอานมุ่มันบเบลีบบวลอยเบิกต้นนี่มันจัดเข่าในสีละวัดจักเข่าในสมาธิวัดคือกันแบบนึงขันพืพ้นผ้าเหตุการณ์แห่งง่ายเนี่ยผันท่าทาเป็นพระรหัน เออขันย่าเพิ่นพระพาเหตการแห่งงานเนี่ยขันนอดตายบดมืออืมแต่เว้นบายมากอะซ้ำเนี่มากอะแต่เว้นซ้ำเนี่ยมาทัพทาเป็นพระละหันมากสีหูสีตาแล้วมาถามกินเพาเขาป้อมสมอขันย่ามมีเวียวมีงานเนี่ยทัพทาเป็นพระละหันขันยาม้วมเวียวมีงานมากนอดตายบดมืออืมพระสันยะหันแล้วก็เอิญท้าพอแต่ปางไรผุนแต่ว่าท่านถึงหามงศ์เสา่า พอพอพอพอพ อ, พ อ, ยอยู่อืยันตะเวนบายมากเลยขนลุกขนมากสิหัวสีตาแล้วก็ไปคู่เน้นล่ะเนี่นยว่าไปใช้เหรอเนี่นี่มันไปใช้เหรออ๋อเออเอามัม น, นคาำปอมากินใช่ไหมเอาสมอมากินใช่ไหมมันบับบบงการเมางงันบับงขวัดขอ้ออ่ะมันเพราะว่าถ้าไปแท่ตัวหัวก็ลุกมากแค่ ท, ถทีถ้าที่ว่าสิไปเดือนจงกรมก็ป่ไปได้เพลินถ้าจงกรมมันแค่ปากเพราะว่าขี้ส้นหนามเสอะ มัดชูดเท่าเนี่ยสิบโมมีท่กากับกัวม่ให้สิบว่าเบาเเด้อเออมัดชูดเท่าเนี่ยโมมีเด้ยเนี่ยมันไก่ละไ ก, ไกละละ่เห็บไหละเย่างนี้จะลงปูมหาเป า, าอันท่านหนูเนี่ยไม่ใั่เจ้ปุ่ม ลวกปูกินที่แตกยังแล้วพวท่านโกงโกงกับผมไม่เห็นสิลวกปูมาว่ามันคือขินว่ากักเว้ยท่านนูว่าสิไรสิไรเขาบอกเราหน่อหน่อยมึงเนี่ยพ่อข้อพูดฝักที่กับพ่อองคุนแล้วพวท่านกงโกงกับผมไม่เห็นจะไปหูฟักกินที่แตกยังมั้งเลยเห็นเท่ากับแบ่มีอรล้ท่านโกงอยู่เลย จูงเสียท่ากับกรมปันจูงวัวเสแอกเรกข้อตอแอกวันเรับิมกลนออกใส่ใส่ลูกอกง่ายๆนะนนึองาเขาเขียนดึกใส่เบนึ่งจึงทิมกนกับว่าใส่ท่ามเขาไม่ไดออ้ข้อตอแอกทังสี่ติมกลนเอกผีไอ้ดูคาผีจั ก, ก็ถิมไทยเข้าขมาผีจังเอาลูกแอใกใส่ไหจัเอาร อ, องสใส่ไหนจังเออท่ า, สาใส่ไหนนี่คือเป็นไปแบบนั้นเลยมูฮ่าวันเนี่ย แั้เราทั้งนาฬิกาเลยว่าของผมบ่เดินเพราะว่าน่จับไม่ยัดของขีน้ <c oughs> น, น้อยๆเนี้ยเอาแคดแอลไปมดได้สมัยนั้นน า, น, ามมนาฬิกาเพิ่นแค่นาฬิกาไปตดตั้งเวลาไปาัตดมืเห็นกวงตอเวลาอย่างเนาะมี่ ถ, ถ้าทิบยะเดียนมันก็เป็นนัาตัวเน่ะพาพนาฬิกาเฟอ้อมากเนาะตัวซ็ซือมาไว้หลายอันเนาะจะ่า่ จบูสือกัยังไงมาเลยอก็บาซื้อตัวนี้ก็ได้แต่ว่าตะกีดมันถิ่มมุมี้แบเดียดนี้บม่ได้ซื้อเราเดียวนี้ยจซื้อเมไหนี่จะเน้นเห็นละพื้นนึ่งได้พืนหนึนงเ่งไรก็นเอาอีกลวมาลองมาแยงหนานิกาแขนเอวลองป้องลองเปลี่นเพิ่นทับทาเบิ้งเห็นแ้วจากเบิ้งไปตัวหรือไปอยั ง, ยงบเบิ่งแล้วเฝ้าไปเลกกว่าพาะนาของบวัวทอ พ่อให้การให้งานเนี่ยมันเป็นประโยชน์ห่ ม, มดูนั่นรถปูมันกงงังมากเลยกังอะมาแค้งอะไรยังสี่กับอะไรแข้งสัศน์ิลินกับอะไรห่มกระดาษแค้งสัศนิลินกับอะไร มาอะไก็ต้องเฝ้าเซ็อสะพานหนามเซ็จแขนไว้ผูกแขนไว้คํามันขํามันลมก็ต้องหุ้ไว้จกนบังสังเกตบึงท่านในห้องกระดาษเี่ยเอาตากัเอาตากั่แกนี่ตาก่ต้องฟอลยังไงประมาณหานาทีจบเจ็บปั๊บตากั่วมนมือม่นเวรลบทีบึ้มบักบึ้มบักบึ้มบัมว่าได้เจ้าเออบาลามีแตกขับวัดรวด ของพ่พระ่าตประสง์ตัวหันเขายังแกนอาขาซื้อเขาจังเอามาไห้เพร่ะว่าอืมทำทมงั้นไม่บอกสั่งลูกเศษทีมาบวชจะค้นบอกว่าสั่งจบมั้ยนี่ใส่แล้วล่างทั้งนั้นทีไปเฮ็ดทีดินติดถึงเพื่อผีจะบูฮ่อดวงห้อยบ่อได้หลวงปู่มหาก็คือกันต้องล่างต้องห้อยเป็นเรียบจกมั้ะเสียมคือกัอแล้วมึงเอามาไห้แลวบ้องรถติดที้ดินเหนียู่ขุดกับ่ได้น้ำดำมันั่น ว่าได้ลพบุูีมหากับกุรูมหันว่าได้ต้องร่างไวเรียบร้อยบัดขอวัดคนมาอันมุนี่เนะสีรวัดพน่าพ่อวันหน้าวัดคนมาอันวัดอันมุนี่ละเอียดไม่เคยจังละเอียดคนา อ, อันยังสี่ยังสี่เพิ่นกับบานังกันเที ย, นนย เ, เนี่ยเท่นานี่โอยแม่กูเพิ่นสูนเนี่ยบ้านังกัเทียได้ลพบุูมหาห้ายโลดไหอะว่าให้ยังกูอเมน่นจะฟาจะพุ่นหนตัวมันก็คอยบอกไล่ข่าวนี้เพิ่น หลปู่มันก็มานั่งอันนี้สิเท่าเนี่ยเว้ยเมื่อตอนเป็นเงียบไปแงบคือนั่งเลยแม่กูก็เคยสู้กันเนี่ยไกลกันอะโคกขังม้อนเท่ากับว่อิงหลวงปู่มันหลวงปู่ ม, มหากับว่มมาใครเห็นเลยว่าใครเห็นเยอนี้คือบ่ ม, มีแม่สารานี่ใบ่ปะมีหนึงบ่ ใช่เกาะโอ้มีน้อยเยี่ยวทีข้าไปเห็นบางว่นมันเรียนกันมันตับอยู่อม่จักอ่า้อะไรได้วันนี่มันออกวันนี้หรอสู่ยาซองสลักกรเซ็นชิบมัเบิดก็บอกบอกกับจะเกาพิดกันายแต่เดี๋ยวนี้ เพี่อนก็บคือจ้เก่าได้เหยจาเกา่าโอ้ยไปบรรไดเห็นหนึ่งแต่บอกเรื่องสมาธิสมาบัติกันได้เจ้เกา่าเมื่อว่าทั้งหลกงทั้งทงสารนี่สมนีอกจะเรื่องบริการกันออจะเรื่องเน้อื่นสมาธิสม า, สมาบัติบริเคมี่ดอกสังคมบรไดบรไดเอาหัวส่องกันไม่จะบอกเรื่องโล เรื่องอะไรเรื่องอันนี้เรื่องกินเรื่องขี่เรื่องนำ้ำอ้อยนำ้ำารเรื่องกาแฟเรื่องกินเรื่องขี่ยิม่มันมันยิมสมส ม, สมคือตะเกสมัยนี้ยิมยิมสขนมเ <laughs> ิ้ยิมซขนม ยิ้มตับไก่นี่มันยิ้มใช้มพ้าวเนี่ยผาเนี่เราสูงี้ตัวเคือการะยิ้มใช้ผสงเขียวหวานยิ้มอยู่นอกๆเนี่ยมันี้ยิ้มอยู่ในใตะเกาวตะเก่านี่ยิ้มใช้มะรนี่าห น, นยิ้มใช้ผ้าวานาเหมือยิ้มใช้วนวิเวกวหวเนมสันว่าว่ า, วาน้อยว่กข่ายบ่ยทับเจ้าของมันทับแล้วไป ข้าพเอยากนะมันทับนะย่องมันมันทับมันบอดีมันทับคนมาในชิดเชียงซี่มันมาบรรเสมาเขาเรานักถือเฮาหมดพระองค์นี่จำหนักนี่มันจะปฏิบัติไปแถวไหนบางคนเขาก็มาตีถามเลขสมิเตเขาบอกหลินเลขเขามาทดสอบตูเพราะี่เป็นตาบวนไ ด, ได้กินในท่านนําบอขาว่าีังซี่เออขันเรนเลข ก, กูเชื่อว่ามันกินมาท่านนํา ผู้จังหวัเขาก็มี่ผู้จังหวักรมาหาเหล็กอีรีอันเนี่มันมีหลายคนแถ่นพระก็คือกันนุ่งมือขึ้กันอันมาีนสำนักเข้านี่ยวันเขามาหาสำนักเขา้าวันเขาที่มาเหลื่ยมไซรุนเด้เขามาเบิงกก้งตะกอนแต่เขาสืบท่องเขาก็ยยักเบิ้งตะกอนพุฉลัตเขามาเขากรเบิ้งทา้งกล่มเพราะว่าน่าเอามเท่านี้เบิ้งขอวัดปฏิบัติผุหนูวัดให้ดูฐานดูบ้านให้ดูครัวว่าจะ ให้ดูครัวเบิ zum, ้องขอบครัวเขาเขาปฏิบัติกันยังไงฐานเนี่ยฐานะที่ปฏิบัติปฏิบัติยังไงอันฐานขี่มันเหม็นหนึ่งกับของเมียนโยอันบ้านครัวเนี่ยอนไส้อนครัวเนี่ยก็แมีนโยส่วนเวลาพระเขาพระเทพเขากะเบิงอันเบิ้องขอบครัวห้องของเขาก็เบิงสอนกันไปยังไงมันเหม็นแหะดูวัดให้ดูฐานเน่ยฐานสี่เขาก็เบิงกัน่มีขอวัดปฏิบัติยังไง มี่มาลุยซื้อหุ้มต้องนำล่างกรับมีปัดกับปปัดกวดกับปรกวดขี้เส่ บ, บอกว่าเกเห็ดเดือยเ อ, ออเอออยู่ม่พูดได้ละห้งองในประหล่างหายแล้วเทืออยู่พอเอานึ้อเขียนดาวไแมวขี้กระถม่าน คนขี้ก็ต้องล่าแมวขี้ก็ต้องถมเน่หมาขี้ไม่ถมไม่ล่ า, า, าเพราะจั <laughs> เกเขาเขียนด้วยเกิดมก็เขียนดาวเมันก็เกิดเพาถือมันไผบุเขียนนะท่านจะเขียนมึงเคื่อไผบอุเขียนมาหองกันเขียนมัดนั่นหละถ้ามัดนั่นหละอมรพระพุทธเจ้าก็สอนชี้พระพุทธเจ้าก็สอนไปเยี่ยมพระพุทธเจ้าก็สอนเานี เป็นคนฉลาดก็จะใสนุ่งผ้าพระเจ้ากับอนกินเขาพระเจ้ากับอนนั่งพระเจ้ากับอนนอนพระเจ้ากับอนนอนตะแคงกลางขวาเนอว่าเส่็เขามป็นเมื่ออะไรจกมานอนไงว่าเสด็จย่าให้พาเช่นเอวอย่ว่าเสด็จเพ่อนว่านั่นแจะนอนล้มตึงตึงตึงติงว่าเสดจะเอาหัวจอดฟวาว่าเสด็ให้มันเว้นองไว้ว่าด็จคันยูน่าพูดว้เขาให้เว้น่องไว้กันสิว่า ยื้อๆในบ้านในเมืองเาซกันเมื่ออสราพิดมากๆาอ้นี่ยไปนี่จะทมาขวมเฮาเลยสัตวถ้าทาไปนอนงกุ้งละไของสีดมันออมาความเฮาแล้วขวมเฮาแล้วฉันเท่ามาตบมันแล้มานกัดแล้นพาเวน่ยมีอยู่เขาเห็นมันขวมเฮาไปจับมันยังแล้วพูดแล้วาเรเบอรว่าม้วกขวมันมันมันกัดหัวสัตวจะไปนอนงให้มันคู้ฟ้าสัตว์พะเวนมีอยู่เน่ยมหาขันยกปูมหากรเคยบอกดยยกปูบ้านเคยบอกด้วนอนเฮ็ดยังไหนมาสัตว์นั่นก็ไว้พ้าแล้วก็ ตลมหัวลองนอนภามหน้าต่อแล้วคนหน่อยวะโย่ก็บเบึงหมอนเบื้องยังเนี่ยาบอกเอาสลรงผูกหม่นพามปกหมอนพางแฉ่งงูกไปนอนนะครับไปทับเต็งมันกัดหงูหันมาสัน่นพอมีหนายังไม่อยู่กวดเบึงบนรับน บ, บนนอนบนไหนบนนอนคนว่าบอกไว้เมด่อไหร่พระพุทธเจ้าบอกไว้ว่ดแล้วพอมีหน่ายใช้ห้องประมาณได้ฮะ อันพิษสัต ก, กัดตอยอายุผู้เดียวในี่ปลาในเขาเขาความสามารถจะรู้ได้ว่าพิษอันนี้มันจะขึ้นสูงหรือว่าสูงอะไรเพราะเขาบรเหารตัวมันเลยอายุผู้เดียวนี่ปลาในเมืองนี่พู้ในเขานะเอาขี้เท้าไว้สัตว์พิราคันว่าไม่แข็งเอาขี้ดินไว้เพราะฉะนั้นในเวลามันเกิด โอ้ขลุกมากสั่งข้าพัทสวะมันออกดอกวะสั่าพัทสวะใส่อุ้งมือนี่เราเอายิบขีเท้ามาไว้นี่มาใส่ยิบขีดินมาใส่นี่มาใส่นี่ค้นนี่ขันได้ขีก็เอาวาสั่งว่ต้องเข่นก็ได้เงี้ยมังสั่งนะั่งขันว่าได้ขีก็ได้สามแนวก็เอาวาสั่งเดามาหุบหุบสั่งนี่ว่มีผู้ได้เข่นกับว่ายังส่เี่ยมังสั่ติดตัหม่เพาะออขีเท้าก็ได้วะสั่ คุดดินก็ได้หน้าแบบนันก็จเอาขี้ดินเหียวมหาวิกัดซีงานรวนๆคนบอกกันเหมือนเ้าไปเยอะทำพระด่าก็บอ่มียังยามเขาก่แป้ๆเาไเยอะทำพเวยท่าก็บอก่มียังยามเตะกี้ไมมีบม่มีเียงเลยะอยา่โอ้่านใจก็บอมีอ๋ถึองูกัดกูกระเทสจังหวะเด้อกระกถือกระเยได้ห เป็จ้ามูลพอะไรไม่เอียงดากแก่ผิดแก่ผ้าอยียงกบบระบุมีเหรอโซตายมาที่จังหวัดพงงาพู้เดียวกบบระบุมีเยียงเรื่องพูดของเขามากกระอยากแก้ผิดกบบระบุมีมิแตอย่ามตัดบริหารเขานหน่อยหน่อยขิว่านหนะ้พื้นเดียว พาข้องเอาพื้นเดียวพาอ่างน้ำมาพื้นเดียวอางน้ำเต้นนอนเต้นอาน้ำเต้น้วให้มันแหงแล้วกันเนอเดินดุจกรมมันข้ามากเอาไปปูนอนโป่งมอญผอบเอามาหลเอาแล้วผลลูกปูปิ้งพลาคือกูคือเขาลำบากแค่สาอันเดียวแา่สายเอาสองทานฉัทานทานว่เออกมันนัก กําังซือสุทธิกบหนังสือปฏิโมกเล่มหนึง่งหนังสือถนัดปะแตงแจงของไะเที่ยวหลวงปู่มหาแห่แจงของแี่หนึงอ่ะมาแต ง, ง, ง, ง, ง, ง, งของหนูเครับไปเที่ยวข้าวอยู่บ้านน้องถือหข้าอยู่หัวใจแตงของไอ้คนตัวคนเอานังนังคือ ในสุขิป่นลงไว้ใต้ธุพันธ์อภาเพียงเท้นั่นรถถืเนักสือเอาไว้เทิ้งไหมว่าจะพาห้าลงห้าถอเก็เกิดไปเก็บกับว่ามันแนวเสียมาสาบาดเ่ามันแนวเสียมาข้างบาดเต้งเติงว่าจัเรียงคองนักสือตองเอาไว้เทิงของเขารบเปิดตลอ มันไม่ได้ทมอไต้แตงของแั้นีไปทาพระโหดอ่องส่เพราไม่ได้เะปิดปั๊บอนามัสทุกคนเลงจับเขยาะเขยาะเขยาะเขยาะเขย้ะเขยะเฮ้ปั๊บจับเขยาะเขยาะเขยาะสองม้ยปั๊บเวลาสิตาสิกัดเวลาสิตากันถึงเพียกเร จัขยอยออขยอ่ได้ปดปดจปลุก ห, หร อ, หหรอหจับขยอขยออเวลได้จะพิชกรือจับขยอยอม่นันคือดึงหลนะังดึงหลังก็คอเป็นอวัตทุกติเหตุน่ะภายในเขาไม่ย่ถ้าเท่าก็จะแค่ได้เห็นจะดึงหลนะังผมีองหนึง่งมาพากีวันเนี่ย ะตะเขคนคนายไปละอม่าหรอใไปยา่มั น, อ, ยยมน อ, ออกเสียออกเียาาออนะันากข้ามาาว่าวอกวยทไปไกลมาเกิดบว่าตคือเคียดีแว่าไมาป๊ะะจับออกไปยังไงให้มขวดไปยังันวะ มู้นี่มู้นี่มู้นี่มไม่แน่ขวมนี่มู้นี่มุ้นี่ก็บู่ไม่แน่ขวมนี่มู้นี่มุ้นี่เห็นพุคุณญาตแกอาหารควมห่อนฟ้าบาทฟ้าบาทกันกะขวมมั่วง่นกับเป็นวะมันเม้นม่นได้เคยปฏิบัติมาอันบาทอัตั้งไววนี่ตั้งตั้งบาทขวงมันตั้งยังไงคือเอาสายมันขวงส่เดี๋ยวว่าตั้งบาดขวงนี่สายมันพับมาสิเี๋ยวว่าตั้งบาดขวง สายอัพพามาต่ามวันตุกหัวเือบไว้เองสิเข้าฮันนาไปตั้งพุนเข้าตองสาทบมณีนเวลาสิไปคือกันเวลาสิไปบินถบาดคือกันเวลาสิไปบินทบาดบาตั้ง ง, อง้อได้เฮียนมัดโตเขายางมากนี่บาทตัง้งก็ดินยูกเรื่องรอรอดห้ลูกปูหปมันลูกปูมหาห้ เพราะบาทได้ตั้งยี้ก็สูงเนียบาทตั้งอยุ่จังสี่มาเลยเว้นไปแล้วมัดต่องนางเขาเะสี่เยียเอาบาทนะมันยังไงให้ไปเกลกอาหารก็ถือข่ายว่าเ่นื่ตไปเกลกอาหารในพวกแม่พวกวายการผู้ใหญ่นี่ พอ น, น, นั่งพ่อเพียบแบบลอยอยู่พอนั่งเอาเพียบแบบลอยอยไแกให้ขื้นเชียวนนิวะแก่้คือไเพ่อนง่อยกะนั่งละบ่ว่าสันเพื่อนว่าแก่ให้พ่อแม่คู่าจานพนั่งะเียบแบบลอยอยู่โตไดไปยืนให้คือเชียวหนิวะันคือให้คือนักโนี่คือใครพระผู้น้อยหนิวะมันนอนทรกสนมันของเโอ้ไม่ตีเนาถือดาโตก็ได้จพ่อไดว่าวาไฮมฟังเนี่ยสมมติถึอดาบได้าว่าไฮมฟังว่าสันว่า เพื่อนั่งโยู่ตกกระเห็ดสีเขายกสียไ้บอบสันคูก่กอาจารย์ผู้ใหญ่ผู้มโหสันไปแกกยืนไทเพื่อเี่ยวเนี่ว่าสันกที่นั่ง น, นั่นน ง, นงลงด้หบอเพืน่นวะระว่างแย่ถือบาดถือพวกพื่อนยืนคือพาผู้ห น, น่อยเนี่ว่าสันมนันเ่แต่บอสบ่สันมาเพ่นอันนีอันอยู่ในวัดดาวานเขาโมเห็นนักเกอือเ 我嫌农夫满天都是铁，你满天话，我嫌那些那些铁了，现在四个保险，现在四个保险，嗯，现在四个保险，现在四个保险，啊，你那边那边才八四块呢，你那边那边才八，才没乎三块呢，现在四个米，现在四个米，现在你用用，我他郎来，我用夹棉穿乌皮哈，现在四个米，现在四个。 นี่ประเทศาติมาเลยข้ครับเนี่ยไมีพูดคาปาดอ่ะถ้าเขาไปก็จไม่พูดคาปาดเขาที่รับวันนี้มีปฏิปทาหลวงปู่มหาบุมีิปทาของหลวงปู่หนของบุมีเนี่ยนนี้แบบนี้พอกนกินอาเนนีว่มีติกบมีปฏิทาหลวงปู่ัหลวงปู่มหาบมีเนวนี้เนี่ยนี่บุมีแบบนี้กับิกบมีนี่นั่งกินอาหาร เออนังส some ั <laughs> ้นหมดมาสยตวมีนยจะสมัยไปแล้สมยบว่าพอเช่นวันนึงนั่งสันเห็นทังีนั่นกนันกคนหอยแล้วเขาไปยักสั่นร่ไม่เป็นตัวอุกระสันนัเสีนั่งเสียทะเบียนไม่นบว่าถืออันมือตัวได้ถือข่ายมัดอันมือ่ ว่าเน่หังมันนที่ว่านี่ยโมด้รมายว่าตัวดีด้วยถือใครท่านนั่นเนี่ยงไรว่าเอาว่ามาวางหั่ฝังเนี่ยข้าเอี่ยวที่นั่นหลวงปู่มหาปตาข้าอยู่บังหนาทรายองค์นั้นยาดเขาซิลเ่เดือนเขเอาเชี่ยา เป็ดตากมอ๋อวาตากยาดอก่งมาวานกะตากแล้วเมื่อก่อนกะตากแล้วเืองมือเือมือมันจะมาบุนู้นแต่อันนี้เห็ยังคนเามตากคนะตากว่าตากยาดอกมาคนาจะตากคนเามตห้องคันสุดเสียงยย้อนอดในบ้านนจัง ก่อให้แม่นในทิพยีมานะาักทำสตีมาสิส ท, าท่านท่านิพย์ว่าผมเป็นอาจารย์ของท่านนั่นผมบอกอีดีเ่า อ, อีดีนาทีท่านสิรบทีฟังมันก็มีตัวเพราะมันท่านสิเอาตามทิพย์มานะักของทาง่านน้อยง่าัให้มาคืนกุทธีห้องเตีย่านี่มาเจ้าเจ้าเจ้าเ้พระองค์นี่จะาืนพุทธีห้องเที้ยท่านอ๋อแล้วเดนะือดห่อน้าโตระบ่ะจรงไหมลุงเปอนอ ฟอจารไม่ยากหรเพ่นว <mañana. S 1> ่าพอยขึ้นคือเช็ดสกืนลมันโตแล้วมันผิดนะตเพจากคนนะเขาอกคูบอาจารย์กเพื่อนได้หามสั่มๆกันสองเท่าตาลิงตากราห้องเขาต้องลบว่ะเรื่องห้องบอลล็กเป็นเรื่องที่ห้องฟื้นา่ะมันก็ผิดติละว่ะทั้งสิ่งนั้นพวกห้องในกระซงห้าบอลล็อกตระเราเาบอเขาลบเพลินว่ะมันก็ฝื้นมากก่ผิดติว่ะงจริงๆพวกพวห้องกระซังห้องก็ต้องลบกันเพื่อนบอกทีหลอว่ะเรื่องห้องบอลล็อกเลยเรื่องมันฝื้นอยู่หว่ะคันท่านที่ ถือเถอผมเป็นคู่ไปในนายจนนี่ๆว่ า, ท, าท่านทาจม่กินที่แตกยัง ท, างท่านฟื้นอันนั้ก็ฟืออ้นวัดรทา่า้าเขาเลยบอกท่านอ๋อโมยาท่านเพื่อนว่ายขึ้นวุ้นทกับโมญยาข้าวทส่บอกวะนี่มปรักซิงของให้ตัววาดกวททนนปปด ท, วดวดวดที่ทั้งลุมเยอะเแล้วให้ฝ่าไปัดท่างกกลมคนคนเพา่นเรียนจะกลมะเพื่อนว่ายขึ้นเขบกขึ้นทาวัทั้งลุมีเพ็ดกระสังตัว่ สะพนหามเลยจักค่อยเ็ดะมือพนจะข้นใครข้นใว่าโตเยอะจะข้นหรอพน้ำพนพอให้ดึ้นหรน้ำพนอกตอนนี้ตาก่อพนดักนดานโตโตก็ยอมหม่พนดักแล้นพอโตเอาคววัดสมนันแล้ววะพปัดน้ำใจุนใจยังมือนอเเออออกจากางกับปัดท่านกบมพนชิล่งไปเดนยกบหนอเดี๋ยวโดนไปไจักเครื่องเดียนะโตขืนทานี่ว่าล้วเมือง่ะพอไปหอด ราเบียงตะกอนกันหายเลงว่าบอกว่าเอาไปเอามากันได้เือนนึงได้เดือนึ่นวันนก็เลยบว่า่าหายว่าวางไรเพราะละพยศอันหายแล้วนี้ครับเป็นกเลยบวาวางยังไงนั่นทักไปแล้วไอ้โม่โตยังพันอะออกไซปานั้นนี้ขันโม่โตนอออกไซปานั้น่าสวาโม่โตญาสวาโม่โตศึกษามาอัตคัดมิเคยโม่โตยึตามเพื่อใจเหรอว่างสันเถะันไ้พันันลอันโมนี่ มว ม, มวมัดอะเยอะครับคู่าอาจารย์ถือข้อนมันเรียมนึงกับเรียมนึงใ ห, ห, ห้ได้เท่ามือนีว่าเราเรียงเข้าหน้าเราเรียงมืหอหนีเรียงเาหน้าเข้าไปห้าม เอาของให้ผู้บาอาจารย์เอาให้พ่อให้แม่เขาก็ะเดียงสี่ต่อหับจับกาว่าสันถ้าเาไปจับม่วงมาแล้วใส่เพื่อจับใส่หรือว่าสันว่านําอูนวัดเจังสี่ห้าเจ็ใสเพื่จับใส่หรอว่าับเดยนนวัดอะมนี้ก็ได้ฝาเองหน้ามืนขึ้นกันรัแบบได้เอาฝ้ายสิงับรองมือสิจบไว้ว่าคืนสิมันกระดับหรือยินหอดจีบ ไ, ได้ น้ามันคน้มันมันเต็มเราไ้แดงคน้ามันบวี่าดังนะตองว่ามเเวลาเปิดกันังสี่เวลาว่าขักระบวย y จีนี่กระ b เนี่ยสมมันีกระ b u o มี่ขันพลาสติกขันกระบว o y จกี่าเวลาทิศอากอองสิเวลาลาีเทใสเวลาเฉื่วกับังสี่ังไหนนี่เหี้ยมันหมดเยสติยกับวันันจับมันว่าสติยกันนึงไปยกันนึง เสงเปิงฟางเปิงฟังเปิงฟังเปิงฟังคนบกจับสิ่งจับของมือวัยยุคควาสติวัยยุคกับอันนี้ว่างเปิงฟางเปิงฟังคนที่ว่าหามีสติอยู่กับการทํางานที่เฮาเฮกหนึ่งจับโน่นโดนนี่เปืองปางเพราะนับว่าสุ่มซ้มเหมือนกันทํายังไงที่เรียกว่ากิริยาสุ่มซ้ำไม่เรียบร้อยเพราะฉันจับนวนโดนนี้เปลืองปางเพราะนับว่าสุ่มซ้ำเหมือนกัน เฮายดายัตัน่น้ำนกปูมันได้ฮันี่นนกปูมัก็ได้ฮัต่าเชื่อตังงานโลมาดาเอาจจเหี้ยดเฮ้ยนี่บกบอผิดก็หาผิดเอาจจเหี้นี่แต่คนเป็นสิ่งผิดอยู่แล้วมีคนผิดอยู่แด้วแต่ห้าเข่าข้างตัวห้าวกระวามันนูมีบนผิดแต่ว่านะแวาถวแทมันมีบนผิดอยู่ก็คนจะให้ห้ามันจะเข่าข้างตัวห้าวกระวาห้าวผิดเนี้ยขงขี่หาวกระวามันหอมสมวรพรใส่อยู่เนี่ ผู้ผันโดมานล้วจตายว่านหรอพมอกของสันว่าพ่อเมียึงกันล่ะเพิ่มาอย่างขวนฟั่คงควนพิจังหน้ารถมันยมยา น, นรถแท่ออกเป็นสัน้นไอ้เพ่นเห็นทิศถิมานาโตเพิ่นก็ะถอยสัาวแล้วรถสัตทว์อรุณ พิสูจว่ายากสอนยากพิสูจนกันห้ามไม่ฟังสงสัยกรรมเพื่อจะให้ลูกข้าที่ยวเพั่ท่านทำไปละตอนสคาทิเศษห้ามที่หนึ่งไม่ละห้ามที่สองไม่ละห้ามที่สามไม่ละก็เป็นสคาทิเศษอวิชาวิสมาโรโลภะละโมบละม่ไม่ส ม, ม่ำเสมอคือความเพ่งเงล็งโท่าทาไร่กาโกท่าโกอุปนาหาผูกโกฏวายมข้าลบรูกคุณคุณท่าน ปลาสตีเสมอยกตนเทียมท่านอิจฉาลิษยาเห็นเขาได้ดีทนอยู่ไม่ได้มัชเชียตันิมัญ ย, ยามัญญาคือเจ้าเลสาเทียโออวดธัรมภะมวดู้สารำภะแข็งดีมานะถือตัวอติมานะดูมินท่านมัทะมัวเม า, า, มาประมาทเดินเลอโพธิปคิทำสามสิกเกประการอภิชาวิสมารโลภละโมบมันสม่ำเสมอสุขความเพลินเองอุปกิเลสคือทษเครื่องเชือมองสิบกอย่างสารำภะแข็งดีมานะถือตัว อติมาณะโดมิเนทานมทะมโมอประมาณเดินเลิมันมีอยู่อันใดกันเป็นนาทีมืห้องที่ซ้าเนื้อซกันใช้ซึ่งกันวัดทุกผู้ทุกคนห้องิเหี้ยนเจวีซ่ามีความมีอย่างยันถือหัวแข้งคมจิตมีอย่ายนถือแผ่แหงพคู่มันกลบว่าถอเออหองของั่า อัคราจาหย์นยไมมันสำเร็จจากการประพฤติอบตนแก่ผู้ใหญ่มันก็มีอยู่ขึ้นกันนบุญที่เรียกวัตถุศีลการประพฤตทอบตนแก้ผู้ใหญ่มันก็เป็นบุญอันหนึ่งอยู่ยิ่งสูงยิ่งใกล้อันตรายเถิดพ่ออัชนีบาดหมายย่อนไม้รากฐันนาความชุภาพอ่อนน้อมนั่นแหละแก้กังวลเ่านนี้มันก็มีอยู่ขึ้ น, นกันเขากระพามีกั น, นแต่ถ้าเจียงไล่พนกับา่าไ่มนเช่กั น, ใ น, ใ น, น, นพอ่อม่ นีอันเดตัวแพ่นป็นซะจำนั่นก็่ถือเหมือนเราเหมนคนลืมคนเหลือหนาเพียงไหเราบัวเพียงไหนหามใอนควนาเพียงไหนบัวเพียงไหนมันทอนถือคนิี่อายยังคนทิ่ท่อมยังคนทีย่าหอยอันพันแนว วัดปิวาน้ำกีเรีตรงตงถึงแม่มีกิเรีดดยบดก็หอยหอบพันหอบจ้องพีชนะแจงว่าออกมาต้องปฏิวัออกมามองอฉันว่าห้องไหนกับพทอพจนเริ่มสิ่ห้าดีกับพระทอพจนชัวก็ ข, ขึ้ น, นว่างเลาหรอก อันนี้ก็อวัตถุนะไอ้ห้องรื่ว่าน้องคืนห้องใช่ไหมอาจารย์สมหรบครับอันห้องรลายกมูกุตีหนึ่งลบแล้ววะไ่จังลบกุตี เออเพื่นเอิมาถามลแล้วราบกพุกลังลบ า, อ า, าัอาจารย์สมอาจารย์มอมีนพูดอาคืออ า, า, าท่ากูจะไปเบิ้งหน้า ม, มก็ น, นาตะลกปูหมาบัวเพื่อนอจารหาบัวตะกี้ลปูมหมาบั ว, ว, ปบวไปเบิองบนเพื่นอาจารย์สมโอ้ยปพีว่าพุธนี่พุธพุธร้นเน่โอ้ยกาลังลบนนอยเของมถ้าพูดง เพราะผู้จัววันเรา้ผจัวไปเอาไม้ตลางตะลางใคจอเาะงี้จะมาไม่มันเพราะมันคนน้อยพวให้ได้ไมโนซันเอ้ยกรบเพาะห้โบวาสัญญาต่อรักวันนั้นเป็นวันไม่เป็ไปว่าเลยหรืตัวก็ะเพาะกว่าหลวงพูมมหาก็เลยไปเบิ้องบนพูดไึงาคืออัานเถรวาสันเฮ้ยมันเป็นพิบ่าตัวนี้ คดคันสนุกแต่เตยันั่งลงปหมันม้วนกระมวลถือเทศกรถือเทศเดียายุถือผูใ้ใดอย่างว่ง่าว่งาเนี่ยคำพ้องคำพอ้องแต่ฝนผ้นนนานในนว่นหมดนี่ฝนผ้านกันแ น, วน่วันด้วยขนไหนแล้วลงไปนอนเว้นที่เจ้าอิทานท์ น, นี่ เพแต่นบาพทเาลงมาอาศัยเรพ่อ่านบท่านในฝนก็น้อยแล้วอา่านบากไงล่ะบาทเนี่ยค่นบอกฝนก็เป็นยังจำบ่บอกที่ด้บอกพื้นฝนกเจ็บกนป่วยก็ไ่านมันเป็นอาวัตทุกข์หมดเ่เห็นบอก่านท่านก่อท่านก่อท่านก่อไปเอาัหนมาให้แน่ว่าท่านเราจะใส่พอื้นต่อห้องคนเยะเนี่ย ใส่ผู้ไหนมันต้องได้ผู้นั่นว่าสันของบเก็บป่วยยังไงไปนใส่ผู้อื่นต้อนายังไสันมันเป็นอาบัตทุกข์กป่วเย็นบ่อว่าสันพระองค์นี่ว่าันสีประตายใช้ก็ไปทำไมวาสันมันขึ้นยาเตี้ยว่าสันพูแม่ของง่ายๆบ่ต่อยยื่อํานั่นบ่มีกังเว้นกัขึ้นนั่นหรพิดเน่หน่อยหนึ่งหมดบ่ได้ป่านคนขับรถเืือว่าที่แยกออกจากคนท่าก็หักพวกมาไล่รถว่าน แขกคนย้อนวันวานีนี่ปรี้วเปรี้ยเปรี้ลอดโอ้หมันเค็ดเอาเค็ดเอาเเอะเค็ดแบบนี <laughs> มัน ว, นวนนนนนันนี้คือพนังเลียงเอยพนักเลี้ยงต้องมีทานมีทางเลยเขาบอกมันทานมันท่างเมื่อไรอเมื่อแล้วท่านจะย่อมได้ก็ะปัวหลอดเนี่ยปานสร้างแหละเท่าอะไรกับับโพหลดเนี่ยก็ไ ป, ปิับ ทำเป็นตาเอาเอาสันผาตีตีลูกอีกพอ่อผนงักพอ่อผนโอ้ <laughs> สั่นว่าพาระเขามาทานมันง่ายๆบอกเอาที่ทาน่ะเ้าจะไปแก้เพื่อเสนาแข่งห่ยแก้ะะไ่ได้เนยมีแต่เล้ยนี่ยแก้พ่อปนา น, นพ่นนะปานแมันท่านนเนี่ย ถ่าฝนเร่ทอดแหงล่แนนะแก่ทะเลแห้งพันตีพัดมนในที่บอกนี่ยบอกไม่ว่าสิบนะแก่ได้แก่แค่อแนวน่ะกา้แก่แก่าถึงเรี่ยมของบ่ได้อ๋อเสีนว่ายังไ้ลุงทงตึงเอี่ยมทั้ ง, ง, ง อ, อ๋อมันก็บอะไรมันก็แก้ลนะ่ะแต่ว่ากัรแก่มาถึางพัดหมักไงว่าจะสวงอันไหเห็นลุงทังตึงเอี่ยมทั้ ง, ง, ง อ, อ๋อมันก็บอะไรล่ะไม่ทามีทางเนี่ย